5. รายได้ที่จ่ายแบบไม่มีจำกัดพลังของการจ่ายแบบ Infinity Payout ของ Four Life คือความสามารถในการจ่ายเงินให้กับผู้จำาน่ายผ่านหลายระดับเป็นชั้นๆโดยลึกลงไม่มีจำกัดและจะเริ่มต้นการจ่ายแบบไม่มีจำกัดที่ตำแหน่ง Diamond เป็นแผนการจ่ายที่ยอดเยี่ยมที่มากกว่าแทนการจ่ายของบริษัทเครือขายอื่นๆ